Book 2 <99. S 1> 9เก้สเก้าเนื้อคำแสดงความเป็นเจ้าของเกสลัแมวของแฟนดิฉัน my v r e n d i n s kat สุนัขของแฟนดิฉัน my friend's dog ของเล่นของลูกดิฉัน my c i l d s toy นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน t i s Die is my c o l l e g u s d r e s นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Die ega, motor. นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน die ega, werk. กระดุมของเสื้อหายไปกุญแจโรงรถหายไป ดี e เลียตอลของดีมูเตไรส์อสแย่คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสียดีเ e ฟเซริเอกนอ i ์อสตก k งตใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงวีอ i e ดีเออเวอร์สฟัน i ีไ e ซี่ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร Hoe บ้านอยู่ตรงสุดถนนเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรหนังสือชื่ออะไร ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร w i e i s die Kinder s v a n die b i r e โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไร Wann erhebt e Kinder s v a k a n s i e คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง Wann erhebt e die d o k t e r s p r e e k u r e เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร What